ลงโดยสอบถามก่อนสลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายปภาชนิยกรรมประกอบได้องค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่สองพิษุทั้งหลายปภาชนิยกรรมประกอบได้องค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่า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 เป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงตามปฏิญญา 2. ลงโดยชอบธรรมสาสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลายปัปาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี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 ปปพาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรม <sem. S 2> ชอบด้วยธรรมเป็นก ร, รรมชอบด้วยวินัยและระงับดีหมวดที่10ภิกษุทั้งหลายปปพาชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่ง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 จบ